สา น, นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอรายการธรรมะรับอรุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการธรรมะรับอรุณวันนี้เสนอการบรรยายธรรมะเรื่องอินรีและพลาหา้าซึ่งเป็นการบรรยายโดยพระอาจารย์ไพบูลอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจะได้บรรยายขยายความให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ครับ ที่ไม่เป็นงูพิษในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของอินซีห้าและก็พละห้าท่านที่เคยได้ฟังว่าอินซีอินซีหรือว่าพระต่างคําว่าอินซีตรงนี้เป็นภาษาบาลีแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ในที่นี้มีอยู่หลายแง่มุมที่ พระพุทธเจ้าได้เคยพูดถึงความเป็นใหญ่ในเรื่องของการเห็นรูปเนี่ยก็จะเป็นตาความเป็นใหญ่ในเรื่องของการอาได้ยินเสียงก็จะเป็นหูความเป็นใหญ่ในเรื่องของการรับรู้รสก็จะเป็นลิ้นนะทีนี้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้สายตาในการที่จะพอรู้รสนะประเมินว่ารสชาติเป็นยังไงได้บ้างแต่ยังไงคนที่จะ เป็นใหญ่ที่สุดในการที่จะมารับรู้รถเนี่ยต้องเป็นลิ้นเท่านั้นหรือบางทีเราอาจจะใช้ผิวกายของเรารับรู้ถึงเสียงได้บ้างอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนได้บ้างแต่ว่าจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็นเสียงพูดอะไรดังมากน้อยแค่ไหนอย่างดีที่สุดก็บอกได้แค่วดังมากหรือดังน้อยถ้าใช้ผิวกายแต่แต่พูดที่จะมารู้เเสียงว่าเป็นเสียงพูดแบบไหนใช้ข้อความอะไรต้องเป็นหูเท่านั้นหูจะเป็นใหญ่ในเรื่องนี้ เรื่องอินรีเนี่ยคือแปลว่าความเป็นใหญ่นะบางท่านอาจจะสับสนมาเอาถ้าไม่น่าล่ะประเทศอเมริกาถึงใช้นอกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะซึ่งเป็นใหญ่ได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้คนละเรื่องกันอินรีนั่นคือนอกอินทรีนะไม่เหมือนกับอินทรีที่ว่าแปลว่าความเป็นใหญ่ทีนี้ความเป็นใหญ่ในเรื่องของการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานพรนะพุทธเจ้าก็ใช้บัญญัติสิ่งที่เรียกว่าอินรีห้า นะถ้าจิตดวงไหนใครก็ตามนะมีองค์ประกอบห้าอย่างนี้นี่จิตของเธอนี่แหละเป็นใหญ่ในการที่จะไปถึงนิพพานได้อินทรีย์ทั้งห้านี้คืออะไรนะอย่างแรกก็คือศรัทธาอย่างที่สองก็คือวิริยะอย่างที่สามก็คือสติอย่างที่สี่ก็คือสมาธิแล้วอย่างที่ห้าก็คือปัญญานะหลายหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน ว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะอินทรีห้าอินทรีห้าอย่างนี้อินทรีห้าเนี่ยเหมือนกับพระห้าเลยเหมือนกันในแง่ขององค์ประกอบนะพระเนี่ยแปลว่ากําลังจิตของเธอจะมีกําลังมากหรือกําลังน้อยก็อยู่ที่ห้าอย่างนี้คืออะไรคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างนี้นะทีนี้อพระห้ากับอินทรีห้าเนี่ย มีองค์ประกอบเหมือนกันแล้วมันต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรในเรื่องของการใช้งานมีควาแตกต่างกันอยู่ไม่งั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มาแยกออกมาสองอย่างซึ่งความแตกต่างกันตรงนี้จะอธิบายให้ทราบอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะไปอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างอินทรีย์กับพลาะเนี่ยต้องทําความเข้าใจขององค์ประกอบของแต่ละอย่างก่อนในองค์ประกอบห้าอย่างนี้สัตว์ทาวิทยาสติสมาธิปัญญา ศรัทธาคืออะไรศรัทธาก็คือความมั่นใจนหลายๆท่านจะแปลว่าความศรัทธาซึ่งถ้าจะแปลให้มันตรงตัวดูตามรูปแบบของที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยศรัทธาคือความมั่นใจในความมั่นใจในอะไรความมั่นใจในเหตุในผลของการที่มีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระปุริชาบอกว่าเธอนั้นเป็นผู้มีศรัทธานะมีความเชื่อมีความมั่นใจว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรันตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไล่ไปเหมือนอย่างกับบทอิติปิโสที่หลายๆท่านก็ยังท่องได้อยู่จําได้อยู่ทีนี้ตรงเนี้ยคือแง่มุมในเรื่องของศรัทธาความเชื่อความมั่นใจว่ามีความ เชื่อความมั่นใจว่าเหตุอย่างนี้อย่างนี้ความเชื่อตรงเนี้ยเป็นความเชื่อที่เธอจะต้องมีให้มีความมั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะรู้ได้อย่างไรล่ะ ว, ว่าใครเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่ใช่พระอาหารหนะันต์น่ะมันไม่มีเครื่องตรวจสอบแต่ไม่มีใครที่สามารถผลิตมิเตอร์ออกมาอันหนึ่งอ่ะอห์ม oh ว้นะถ้าออกมาเท่านี้คุณเป็นบระอาหารหันหรือเอาเลือดมาปาดดูเลือดออกมาเป็นสีน้ําเงินอ่ะคุณเป็นโสดาบัน มันไม่ใช่มันไม่มีองค์ประกรอบหรือว่าการวัดใดๆที่จะมาวัดสภาวะจิตอันนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยอะไรอาศัยความเชื่อความมั่นใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความเชื่อตรงเนี้ที่พระเจ้าบอกว่าให้มีสัตย์ท้ายมีศรัทธาว่าปฐาคตเป็นพาระหานนะพาระานมีจริงนะพระสงฆ์รูปนี้ให้มีความเชื่อความศรัทธาอย่างนี้มันพูดยากเพราะว่าเราวัดไม่ได้ไพระเจ้าจึงบอกว่าให้มั่นใจในเหตุ เพราะเหตุอย like ่างนี้อย่างนี้นี่ซึ่งเหตุอย่างนี้อย่างนี้คืออย่างไหนอย่างไหนล่ะโอ้โหกว่าจะมาเป็นพระรูปเช่าได้นี่สร้างเหตุมาแล้วอย่างมากมายเรื่องของศีลเรื่องของความเชื่อเหลือคนอื่นเรื่องของปัญญาเรื่องของสมาธิเยอะมากนะเพราะเราเห็นเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงให้มีความมั่นใจว่าโอ้โหคนที่สร้างเหตุได้ขนาดนี้นะมันไม่ธรรมดานะคนที่สร้างเหตุขนาดนี้แล้วเนี่ยความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมากมายแน่นอน มากมายขนาดที่เรียกว่าจะสามารถพาคนให้หลุดพ้นออกจากทุกพาคนให้สําเร็จเป็นพระอรหันได้เนี่ยแม้มันน่าเชื่อเหมือนกันนะนี่พูดลักษณะนี้พอเรามีความมั่นใจในเหตุในผลอย่างนี้แล้วเนี่ยเราถึงจะเรียกว่าเออมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้มีความมั่นใจในเหตุที่พระองค์สร้างมาแล้วเชื่อว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระอรหันได้ มีความเชื่อว่าคนธรรมดาเนี่ยนะหนาหนาหรือว่าดำดำมืนมืดเนี่ยหมายถึงเรื่องจิตใจอ่นะถ้ามาปฏิบัติตามอาริยมกักมีองแปดมาปฏิบัติตามธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้ดีแล้วมันก็เป็นคนดีขึ้นมาได้นะคือสงสารว่าของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เชื่อมันตรงนี้ว่ามีหรือว่าธรรมะใดๆนะที่ทําแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ย ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นไม่ได้ธรรมาเหล่านั้นก็มีนั่นก็คือมีความมั่นใจในพระธรรมมีความมั่นใจในพระสงค์และมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนนี่คือศรัทธาในข้อนีอ้วิริยะคืออะไรคือความเพียรศรัทธากับวิริยะเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรก็คนมีศรัทธาเนี่ยมีความมั่นใจเนี่ยเขาจะมีวิริยะคือการกระทําการกระทําความเพียรในที่นี้หมายความว่าอะไร ก็หมายความว่าเรามีความเพียรในการที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีในจิตเอาออกไปนะําสิ่งที่เอไม่ดีที่ได้เอาออกไปแล้วอย่าให้มันเข้ามาอีกสิ่งไหนดีๆในะที่เรามีอยู่แล้วทําให้มันมากขึ้นสิ่งไหนดีๆที่เรายังไม่มีเอามาทำเอามาใส่ในตัวเรานะคนที่จะไทําอย่างนี้ได้มีความเพียรอย่างนี้เนี่ยคุณต้องมีความมั่นใจก่อนมั่นใจว่าธรรมะ มั่นใจว่าการปฏิบัติแบบนี้ได้ผลมั่นใจว่าโอ้ธรรมะถ้าเราปฏิบัติอย่างมีสมาธินะจิตเรามีสมาธินะการงานของเราจะดีขึ้นการเล่าเรียนของเราจะดีขึ้นนะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของเราจะดีขึ้นถ้าเรามีศีล น, นะเราจะเป็นผู้ที่เข้าสู่บริษัทอย่างมั่นใจไม่มีความขรั่นคร้ามอย่างนี้ถ้าเราไม่เคยทำเนี่ยเราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเธอจึงต้องมีความมั่นใจมีความเชื่อในข้อแรกก่อน พอมีความมั่นใจมีความเชื่อแล้วทำไงทดสอบดูเลยทำเลยนะโดยการใช้ความเพียรนี่แหละคนที่มีความเพียรในการที่จะละสิ่งไม่ดีออกจากใจเราสิ่งใดไม่ดีเราอย่าเอาเข้ามานะทำความดีให้มากขึ้นสิ่งใดที่มีดีอยู่แล้วทาให้มันมากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่มีดีเรายังไม่มีเอามาทาไว้ทวาให้มากเจริญให้มากอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียร วิทยาคนมีสัตางความเปลี่ยนได้นี่พระพุเจ้าได้เชื่อมให้เกี่ยวเนื่องกันเอาไว้พอมีความเพียรแล้วคนไหนคนใดคนหนึ่งมีความเพียเนี่ยคนที่มีความเพียรเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตามมาในชีวิตของเขาเนะี่ยเขาจะเป็นผู้มีสติได้มีสติมีสติคือความระลึกได้นะจำสิ่งที่ทําระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้ คนที่ทําความเพียรในการปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานก็ตามจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดไปนั่งสมาธิภาวนาเป็นผู้มีศีลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังที่จะเกิดขึ้นตามมาในจิตของเธอก็คือการที่เธอนั้นมีสติอย่างบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาเรื่องง่ายๆที่สุดเลยเอาเรื่องศีลอย่างเงี้ยเรามีความตั้งใจอย่างเป็นปกตินะว่าจะ ไม่ลักทรัพย์หรือว่าจะไม่พูดโกหกอย่างนี้เรื่องง่ายๆอย่างการที่ตั้งใจจะไม่พูดโกหกเนี่ยสมมติเจอแม่หรือเจอเมียหรือเจอสามีเจอเจ้านายเจอรุ่น้องจะพูดโกหกละหมขอมันขอโกหกเป็นสักมันหนึ่งนะวันนี้เราจะต้องมีสติระลึกได้นะว่าโอ้ใช่เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่พูดโกหกนะเอา วันนี้สักวันหนึ่งไม่พูดโกหกก็แล้วกันอย่างนี้คนที่จะทําปฏิบัติได้อย่างนี้เขาจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามีสติในการที่จะระลึกได้ว่าเออสิ่งไม่ดีเราไม่ทําสิ่งดีเราทำดังเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความมั่นใจในธรรมะของพระรุจเจ้ามีความมั่นใจในพระพุทธมีความมั่นใจในพระสงฆ์เราตั้งใจเวลาในการที่จะทําและในการที่จะเจริญตามความเพี่ยนนี้ สิ่งที่จะเกิดตามมานั่นก็คือสติสติสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีตลอดเวลาลมีอยู่ตลอดเวลาเลยบางทีเรามีความศรัทธามากตั้งใจมีความคิดเด็ดขาดในการปฏิบัติธรรมมากเกินไปสติตรงนี้ก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือได้บางทีเรามีความฟุ้งซ่านในจิตปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านหรือปฏิบัติแล้วขี้เกียจนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่มีการพิจารณาสติตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยได้ สติตรงนี้แหละที่พระเวทเจ้ า, าเนี่ยเอหลังจากที่ปรัสรูแล้วได้ใหม่ๆเนี่ยพระองค์ก็ามามาพิจารณาว่าจะสอนเรื่องอะไรดีตอนนั้นยังไม่ได้บอกสอนใครยังไม่ได้ไปหาปัญจพักกีก็มานั่ง อ, อยู่ในที่ลีกเลนอยู่แต่ผู้เดียวความปริวิตกอันนี้ก็เกิดขึ้นบอกว่าโอ้สตินี่แหละนะเป็นสิ่งที่จะต้องสอน เ, อเรื่องของสติปัฏฐานสี่ สติในที่นี้นั่นก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะเป็นผู้ตามเห็นกายในกายนะมีคือใช้สี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตทำให้จิตเนี่ยมีสติได้พรนะพุทธเาก็แนะนำว่าให้ใช้กายของเธอก็ได้นะกายเธอนะเป็นนิ้วชี้กระดูกตรงไหนส่วนไหนของร่างกายหรือเป็นลมหายใจก็ได้ละถ้าเธอใช้เป็นฐานที่ตั้งจะทำให้จิตของเธอมีสติได้ อันนี้ทำได้หรืออย่างที่สองก็ใช้เวทนานความรู้สึกในกายจะเป็นความรู้สึกในส่วนไหนของร่างกายก็ไดนะ้เป็นความรู้สึกที่เป็นปีติก็ได้เป็นสุขก็ได้นะไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์หรือเป็นความรู้สึกประเภทไหนก็แล้วแต่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งนะให้จิตมีสติได้หรือจะใช้จิตก็ได้นะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของจิตนะจิตมันมีหลายแบบนเนะเาะใช้จิตที่ ไปรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆใช้จิตที่มีความรับรู้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายนอกภายในใช้จิตตรงนี้แหละทําให้จิตของเรามีสติได้หรือใช้ธรรมะนะธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตจะเป็นธรรมะที่เวลาบา ง, บางท่านบางคนนี่นั่งสมาธิแล้วเนี่ยแหมธรรมะมันหลั่งไหลปร่างพรมออกมาธรรมะแตกบางกันเถอะพอมีธรรมะอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ อเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมใช้ธรรมะเนี่ยในการที่ทําให้จิตมีสติทีนี้บทเพียญชนะที่พร่งใช้ก็คือว่าตามเห็นกายในกายตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตตามเห็นธรรมในธรรมเป็นภาษาที่อ่าไม่ได้ใช้กันในปัจจุบันก็ให้ทราบความหมายในกรณีนี้ว่าให้ใช้กายให้ใช้เวทนาให้ใช้จิตหรือให้ใช้ธรรมะเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการที่จะมีสติ สติเนี่ยเป็นคําจริงๆแล้วก็คือเป็นกิริยาของจิตเป็นคํากิริยาที่จิตใจก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างเดียวอย่างในกรณีของเรามารับรู้สึ่งสัมผัสของลมหายใจอยู่อย่างเดียวนะอาการอย่างนี้เนี่ยคืออาการที่จิตนั้นมีสติสตินี้ก็คือการรลิรู้ได้รู้อยู่ว่าอาเรามี อะไรอยู่ในจิตในอย่างกรณีของเวลาที่เรามาสังเกตลมหายใจใช่ไหมเราก็รู้อยู่ว่ามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้อยู่ว่าเราคิดอยู่เวลามันมีความรู้สึกในกายจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็มารับรู้อยู่รู้อยู่เฉยๆให้จิตของเราเนี่ยรู้อยู่เฉยๆระลึกรู้อยู่นั่นก็คืออาการที่จิตมีสติเหรอเือเวลาที่มีความคิดฟุ้งซ่านนะมีความง่วงเหงาวเหงานอน พวกนี้จิตของเราเนี่ยถ้าเรารู้อยู่ไม่ไหลเพลินตามไปนะรู้อยู่อย่างเดียวนะก็เรียกว่าจิตนั้นมีสติสติตรงนี้ก็จะไม่เหมือนสมาธินิดหนึ่งตรงที่ว่าสมาธิเนี่ยเวลาคนที่มีสติแล้วเนี่ยละวางสิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่สมาธิได้จิตของเราจะเป็นสมาธิสมาธิในที่นี้ก็คือว่าจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นเอกไม่คิดไปในเรื่องอื่นๆนิ่งอยู่อย่างเดียว นะไม่คิดไปนในสองสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างพร้อมๆกันอันนี้คือสมาธิซึ่งจะไม่เหมือนสติก็คือว่าบางคนเนี่ยมีความคิดฟุง้งซ่านอยู่คิดฟุง้งซ่านนั่นนี่โอ้ยนั่งก็ไม่สงบปวดตัวปวดขาไปหมดเลยกูมีสติได้นะคือแค่รู้อยู่นะรู้อยู่ว่าเราเป็นสิ่งพวกนี้อย่าไหลปรุงแต่งต่อเนื่องไปว่าโอปวดแล้วเดี๋ยวต้องตายทําอย่างนี้ไม่ได้คนนั้นจะเป็นคือปรุงแต่งต่อเนื่องไปละไม่ให้เป็นอย่างนั้น นั่นีคือเรื่องของสติแต่ว่าสมาธินั้นก็คือนิ่งอยูย่อย่างเดียวนะอยู่กับเรื่องเดียวอย่างเดียวไม่ไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีสติเนี่ยอาจจะไม่มีสมาธิก็ได้ Verfügung. อันนี้พระพุทธาก็ได้พูดของเอาไว้ในเรื่องของการที่มีสติอยู่ในนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยคือเครื่องกลางกาัก้นที่ทําให้จิตไม่เป็นสมาธิใครที่ยังมีนิวรณ์อยู่เนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิแน่นอนแต่เรามีสติในนิวรณ์ได้เพราะนั้นพอเรามีสติแล้วเนี่ย จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้อย่างไงก็คือว่าผู้ที่มีสติเองรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่ยังละไม่ได้นะก็ดีแล้วนั่นคือการที่มีสติพอเรามีไปมีไปมากๆขึ้นสติของเรามีกําลังขึ้นมาเนี่ยเรามีสติแล้วเราก็ละสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นเะช่นะมีนิวรณ์เกิดขึ้นมีความฟุง้งซ่านมีความไม่พอใจเป็นต้นโดยขึ้นละมีสติละตอนแรกๆอาจจะยังละไม่ได้ เพราะว่านิวร์นยังมีกำลังมากอยู่สติยังมีกำลังน้อยอยู่หน้าที่ของเราก็คือว่าให้มีสติต่อไปนะมีสติต่อไปแล้วเป็นยังไงสักวันหนึ่งนะเราจะละได้พอเราละนิวรณ์ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธินี้ก็คือความที่จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นเอกคัตาจิตนะจิตอะไรก็ได้ที่อยู่ในเรื่องไหนก็ได้นะแวดล้อม สิ่งต่างๆนี่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่เราไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นนิ่งอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยนี่คืออาการที่จิตเป็นสมาธิารู้อยู่อย่างเช่นคนที่สังเกตลมหายใจเนี่ยจิตของเราอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวนะรับรู้อยู่ถึงสัมผัสของลมหายใจที่กระทบผ่านเข้าออกอยู่ในโพรงจมกูกไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไหลไปตามจุดอื่นๆของร่างกายอันนี้คืออาการที่จิตอยงนั้นเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่มีกําลัง นะมีกําลังอย่างไรก็คือว่าเปรียบเสมือนแว่นขยายเนี่ยเวลาที่เราอาจจะเคยใช้แว่นขยายเนี่ยรวมแสงอาจจะเป็นแสงอาทิตย์เนี่ยเวลาที่เราใช้แว่นขยายรวมแสงอาทิตย์เนี่ยออนุภาพของมันเนี่ยสามารถเผากระดาษให้ไหม้ได้เลยนั่นด้วยความที่มันรวมกันเป็นหนึ่งเหมือนกันจิตของเราเนี่ยมันมีหลายดวงมาก แล้วก็ไปคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวก็มารับรู้ทางตาแล้วก็ฟังเสียงด้วยรับรู้ทางกายอีกมันไปหลายเรื่องหลายอย่างซึ่งถ้าเรารวบรวมจิตเหล่านี้ไม่ให้ไหลไปตามทางนูน้นทางนี้ให้จิตเป็นหนึ่งอยู่เนี่ยอย่างนี้จิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งได้จิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งอย่างนี้ก็จะเป็นจิตที่มีกำลังมีพลังนะอันนี้ได้เคยเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับเวลาที่เราเลี้ยง สัตว์อยู่ในบ้านเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเป็นหมาเป็นแมวเป็นหนูอะไรต่างๆพวกสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยอที่เราเลี้ยงเขาไว้เนี่ยเพราะว่าความที่เขาเชื่องนะหรือความที่เขาซื่อสัตว์อะไรต่างๆแต่ว่าทําไมเราไม่เอาสัตว์ป่าอาจะเป็นเสือเป็นสิงโตเป็นเสือดาวเสือโครง่งหมีตัวใหญ่ๆอ ย, ยอย่างนี้มาเลี้ยงทงั้งๆที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยสมบูรณ์ด้วยกําลังความสามารถในการหาอาหาร ความเอาตัวรอดนะกำลังและความเร็วมันมีหมดเลยันะแต่ที่เราไม่เอามันมาเลี้ยงเนี่ยด้วยเหตุผลข้อเดียวเพราะว่ามันไม่เชื่อแล้วนะเราสั่งซ้ายสั่งขวาไม่ได้แล้วนะเราสั่งให้มันหยุดมันจะหนีเราสั่งให้มันนั่งมันจะกินเราอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าเนี่ยถึงแม้จะมีกําลังมากแต่ว่าถ้าสั่งงานไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกรจริตของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มีกําลัง แต่ถ้าสั่งงานไม่ได้นะสั่งให้คิดเรื่องนี้มันไม่คิดมันไปคิดเรื่องอื่นสั่งให้อย่าคิดคนนี้เราไม่อยากคิดถึงเขาทําให้เราเจ็บใจมันดันไปคิดนะสั่งให้แก้ไขปัญหาตรงนี้มันคิดไม่ออกหรือเวลาอยู่ในห้องสอบคิดงานไม่ได้คิดข้อสอบไม่ออกเวลาอยู่ที่ที่ประชุมคิดงานไม่ได้มันไม่ได้เรื่องนั่นจิตอย่างนี้เป็นจิตที่ไม่มีกําลังไม่สามารถสั่งการได้ เพราะฉะนั้นการที่จิตของเราเนี่ยมีสมาธนะิพอจิตของเรามีสมาธิเนี่ยเราจะสามารถสั่งการไดนะ้เป็นจิตที่สามารถใช้งานได้มีกำลังตรงนี้เราจึงต้องมีสมาธิในจิตสมาธิตรงนี้เนี่ยพอจิตมีกำลังแล้วเนี่ยถ้าเราจะน้อมไปนะให้รู้เฉพาะในทในําใดๆที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็สามารถทำได้อาการที่เราไปรู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้เนี่ยเรียกว่ามีปัญญาเกิดขึ้น ปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาในการที่จะเห็นสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนรู้ว่าอะไรก็รู้ในอริยสัจทั้งสี่ไงรู้ในอริยสัจสีว่ามีความเกิดมีความดับอย่างนี้เพราผินถ้าเราเห็นความเกิดความดับเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีปัญญาบุคคลถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงการที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยเห็นตามที่เป็นจริงได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยง นาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีความสิ้นไปได้มีความเสื่อมไปได้มีความจางกลายไปได้มีความดับไปได้นาะการเห็นอย่างนี้ก็คือว่าเป็นผู้มีปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นห้าอย่างนาะตั้งแต่ไล่ไปเลยตั้งแต่ศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยห้าอย่างเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องเอสนับสนุนซึ่งกันและกันนาะคุณมีความมั่นใจมีศรัทธาเราจะ เก้าไปเราจะทําเราจะมีความเปลี่ยนคนมีความเพียนเริ่มทําแล้วเนี่ยจิตของคุณจะมีสติพอจิตมุลมีสติแล้วเนี่ยสมาธิก็จะเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นตามที่เป็นจริงได้บ้างในสมัยก่อนเรามีความยึด ต, ติดในของเล่นของเด็กของเราของเล่นเด็กๆะนะแต่ใครท่านผู้ฟังท่านไหนยังมีของเล่นเด็กอยู่จะเป็นตัวตุ๊กตุนตุ๊กตากระดอนังยาห น, นังก็ะติกหม้อขาหม้อแกงอะไรเล็กๆเนี่ยของเด็กเล่นเนี่ยโอ้ยเมื่อก่อนยึดถือมากเลย ไปมาจับต้องไม่ได้เลยนะไม่ให้เล่นฉันจะเล่นคนเดียวจับไม่ได้นะเอาไปเก็บผิดที่ก็ไม่ยอมร้องให้ฟูมฝ่ายแต่พอเรามีความรู้แล้วโอ้มันแค่ของเล่นเด็กว่าโตแล้วนะเราก็คลายความยึดตือตรงนี้ก็ชื่อว่ามีปัญญาละนะปล่อยวางได้อย่างนี้ก็คือเรื่องของสต้าวิริยาสติสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่าใครๆจะไม่มีนะทุกคนมีอยู่แล้วแน่นอนไม่งั้นคุณจะมีจิตไม่ได้นั้นจิตของเธอเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคนชั่วขนาดไหนเป็นคนไม่ดีขนาดไหนเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าโหชั้นต่ำเลยก็ยังมีศรัทธาวิเดียสติสมาธิปัญญาอยู่ระดับหนึ่งนะตรงนี้แหละคือกําลังจิตของเขาไม่งั้นจิตของเขาจะทรงตัวอยู่ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นคนดีระดับไหนก็แล้วแต่คนไม่ดีระดับไหนก็แล้วแต่นจะิตของคุณจะต้องมีห้าอย่างนี้อยู่แล้วตรงนี้แหละคือพละคือกําลัง นะกําลังตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงกําลังที่จะทําให้คุณเนี่ยอยู่ในมรดกได้คนที่จิตมีกําลังเนี่ยวัดกันที่ห้าอย่างนี้นะเวลามีสิ่งใดมันยั่วยวนะคนที่จะไหลไปตามเนี่ยมีคนชวนให้ติดสินก็ไปมีคนชวนไปบูชาอันนั้นอันนี้ต่ อ, อไปเีนะ่ยไม่มีกําลังจิตมากเท่าไหร่แต่คือยังไงก็ต้องมีนะมีบ้างมีมากมีน้อยเท่านั้นเองแสดงว่าห้าอย่างอย่างนี้ของเขาเนี่ยไม่แข็งแรง สมมุติมีคนไปบอกว่าบูชาต้นไม้ต้นนี้นะนี่ น, นี่เธอจะเรียนเก่งเธอจะโอ้มีกําลังมีแก้หายจากโรคพ้นทุกได้อันนี้ไม่ใช่คําสอนพระเจ้าล่ะนะพระเจ้าบอกว่าคนมีทุกนี่บูชาต้นไม้แตนะ่แต่คนที่มีปัญญาต้องบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าคุณไม่มีความมั่นใจในพระเจ้าไงคุณไม่มีศรัทธาในาพระเจ้าพอเขาพูดอย่างนี้คุณก็ไหลไปละนั่นีคือผู้ที่มีศรัทธาน้อยนะมีอยู่ แต่มีน้อยหน่อยก็คือมีพละน้อยเพราะฉะนั้นพละกับอินซีเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ว่าพลาะเนี่ยคือสิ่งกําลังของจิตของเราที่เรามีอยู่เป็นกําลังที่เรามีจะทําให้เราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปได้มากหรือน้อยส่วนอินทรีย์คืออะไรอินซีคือกําลังจะกําลังหมายถึงไงกําลังที่เราจะาเป็นผู้ที่บ่งบอกว่าบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าคนที่จะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าเนี่ย ก็จะอยู่ที่อินทรีย์ของเขาในอินทะรีย์ห้าอย่างนี้มากแก่กล้าหรือไม่ซึ่งอินทรีย์กับพละเ น, นี่ยตรงเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่สามารถตับช่วยกันได้แตนะ่บางคนมีพละมีกําลังในจิตเนี่ยอ่น้อยในะการที่เขาจะปฏิบัติอยู่ในมัดเนี่ยก็จะทําได้ในายากแตนะ่มีใครชวนอะไรมาที่ไม่เดีเขาก็ไหลาตามไปไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญามีน้อย เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะปรับอินทรีย์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้แตนะ่บางคนมีปัญญามากแต่มีศรัทธาน้อยเราก็เอาศรัทธาของเราเนี่ยเอาเอาปัญญาของเราเนี่ยมาปรับเพิ่มศรัทธาบางคนมีความเพียร น, น้อยแต่มีสมาธิมากเราก็เอาสมาธิของเราเนี่ยมาปรับเพิ่มสิ่งที่เป็นความเพียรทำยังไงอย่างสมัยก่อนอาตมาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีเราไม่ค่อยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า พะพุทธเจ้าเราก็เคยฟังอยู่แล้วคิดว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์อะไรบ้าบบอๆเป็นคนก็แต่งขึ้นมาเราไม่ค่อยมีความมั่นใจไม่ค่อยมีศรัทธาเท่าไหร่เราก็เลยอาศัยอความที่เรามีปัญญาพอมีปัญญาบ้างเนี่ยอ่ะไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่ที่ไม่ใช่เรื่องปลามปลาไม่ใช่เรื่องอภินิหารอะไรเอาเนื้อหารธรรมามาอ่านพอเราอ่านไปอ่านไปเนี่ยปัญญาของเราไปปรับเพิ่มความศรัทธาตรงนี้ หรือเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่มีความเพียรตั้งใจทํางานอะไรจริงจจังๆแต่สมาธิไม่ค่อยมีเราก็เอาความเพียรของเราเนี่ยมาปรับเพิ่มสมาธิทํำยังไงไปเลยนั่งสมาธินั่งมันมาละแปดชั่วโมงเดินจงกรมนั่งสมาธินะเพื่อให้อะไรเพื่อจิตของเาเป็นสมาธินะปรับเพิ่มกันตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นห้าอย่างเนี่ยจะเพิ่มหรือจะลดกันได้เนี่ยก็อยู่ที่สตินคนเราเนี่ยมีสติอยู่แล้วต้องให้เป็นคนประสาทเป็นคนที่ บ้าบอเป็นคนบ้าอยู่ข้างถัะเลยขาก็มีสตินะไม่งั้นกายเขาจะทรงอยู่ไม่ได้ใจเขาจะทรงอยู่ไม่ได้แต่เขามีสติน้อยมากกคนนึนงซึ่งน้อยหรือมากก็าตามเนี่ยมันปรับเพิ่มได้อยู่ที่การฝึกของเราเพราะฉะนั้นในในการที่เราพูดว่าประหยัดที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยเราจะต้องไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวอ๋อ oh, อินทรีย์โอ๋ออ๋ัทธาวิญญาณสติสมาธิปัญญาเอาท่องได้จำได้แล้วแต่จิตของเราสตาก็ไม่มี ปัญญาก็ไม่เห็นสมาธิก็ไม่เกิดความเพียงก็ไม่ทําสติก็หาไม่เจอมันไม่ได้นะเราไม่ใช่รู้อย่างเดียวเรารู้แล้วต้องทํารู้แล้วออกมาปฏิบัติน่ะจะเรียกว่าเป็นปริญญาที่ไม่เป็นงูพิษการปฏิบัติของเราในเรื่องของอินทรีย์ทั้งห้านะค่อยๆปรับแก้ไปตรงไหนเรารู้ว่าน้อยเราปรับเพิ่มขึ้นตรงไหนเรามีมากเราเอามาช่วยเหลือส่วนที่น้อยพละของคุณจะเพิ่มได้นะเราปรับตรงอินทรีย์เพื่อให้พละ ของเราแก่กล้าขึ้นให้เราอยู่ในมรรคได้มากขึ้นนะไม่ไหลไปตามสิ่งยุ่ยยวนในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นในวันนี้เรื่องของศรัทธาวิเดชสติสมาธิปัปญญาคือความมีกําลังของจิตนะจะทําให้เราเป็นผู้ที่มีกําลังจิตขึ้นมาตั้งอยู่ในมรรคได้ช่วงประยัดที่ไม่เป็นงูพิษวันนี้ก็นําเสนอเรื่องของอินรียห้าและพละห้าไปพร้อมๆกันท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วก็ให้ปฏิบัติ ด, ด้วย แต่ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นมีรู้ธรรมะอย่างไม่เป็นหมูพิษติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพุธนี้เวลา 5:00 นถึง 5:30 นนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ